นี่แหละข้อคิดจากการที่มาดูอาจารย์สุรวัตรสอนลูกศิษย์ะอธิบายแบบพระนะอธิบายอย่างนี้คิดดูสิถ้าอาธิบายอย่างงี้นะลูกศิษย์ที่เป็นพวกนักศึกษาฟังแล้วจะงงไหมเ <c oughs> <c oughs> นี่ยต้องรอให้อาจารย์สุรวัตรอธิบายซ้ําใหม่ทีเนี่ยเวลาเราไปดูหนังสือนะเพื่อนชวนไปกินกินเหล้าเพื่อนเป็นเทวปุตตมา น, นี่ชัดเจนไหม ก็คือเป็นคนคนอื่นเรากําลังจะทํางานเพื่อนเพื่อนมาชวนคุยให้เราเขยเออกจากงานเพื่อนคนนั้นกําลังทําตัวเป็นเทวปุตตมานเราโกรธเพื่อนตอนนี้กําลังมีกิเลสสมานเออเดี๋ยวแกทำํำนี้มาแกล้งฉันเดี๋ยวฉันจะไปแกล้งแกงบ้างตอนนี้กําลังปรุงแต่งปรุงแต่งนี่เป็นอภิสังขารมารจะเดินไปแกล้งเขาสะดุดตัวเองล้มเจ็บเขา่า อันนี้ขันธามามอยากให้ถึงกับมาจุมานนะชีวิตประจาวันของเราเนี่ยก็จะมีอุปสรรคอย่างนี้อุปสรรคต่างๆก็เป็นมารขัดขวางถ้าในแง่ที่ว่าเราต้องการจะได้ดีแต่ถ้าในแง่ว่าเราต้องการจะรู้ความจริงนะมารเหล่านี้กลายเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่จะคอยอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปเรื่อยๆคอยเตือนเราเรื่อย มจุมาลจะคอยมาเตือนเราเรื่อยๆสังขารมนานพิษสังขารมานกิเลสมานขันธมานเป็นเครื่องคอยฝึกเราให้จิตฉลาดขึ้นทุกทีทุกทีที่รู้จักมันมันจะคอยมาเล่นเกมกับเราจะเอ๋จะเอ๋ถ้าเรารู้จักมันก็โป้งแปะอะไรเนี่ยนะเคยเล่นเกมซ่อนหาใช่ไหมโป้งทักได้หรือว่ามันโผล่ขึ้นมาแล้ว ทักได้โผล่มาแล้วทักได้คืออะไรคืออะไรกลายเป็นว่าเป็นการฝึกให้เกิดปัญญาก็เหมือนเป็นเพื่อนมาคอยแย่คอยเล่นแต่ถ้ามองเป็นว่าเป็นศัตรูนะเราจะมองในแง่ของอะไรโหดร้ายแล้วเราจะไปเข็นฆ่าจริงๆไม่ไม่ได้เข็นฆ่าอะไรแล้วแค่รู้จักมันมันก็ดับแล้วเพราะว่าพวกเราเนี่ยขี้อายกิเลสมาแลนะ้วพอรู้จักมันนะดับเลยทันทีเลย กิเลสเกิดขึ้นปุ๊บขณะนี้ไปเห็นคนนี้แล้วเกิดโทสะแล้วดับไปทันทีที่เห็นนะตอนที่เห็นนี้กลายเป็นจิตที่มีสติไม่ต้องดับเลยไม่ต้องไปดับกิเลสเลยแค่รู้มันกิเลสก็ดับทันทีแล้วเพราะว่าขณะที่เห็นมันเนี่ยกลายเป็นขณะที่มีสติขณะที่มีสติก็คือขณะที่เป็นกุศลตอนที่มีกิเลสเป็นอกุศลแล้วจิตก็เกิดดับไปเรื่อยๆแวบหนึ่งที่เราไปเห็นว่า ม, มันคืออะไรขณะนั้น กลายเป็นว่าเกิดสติและกลายเป็นขณะที่เป็นกุศลกิเลสก็ดับเป็นปกติของมันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสติเป็นเครื่องรักษาจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่คอยรักษาจิตเป็นสภาวะที่เป็นกุศลดังนั้นเราไม่ต้องทำอะไรมากแค่มีสติรู้ทันว่าเมื่อกี้นี้มีอะไรเกิดขึ้ น, ม, นมีกิเลสอะไรเกิดขึ้นเมื่อกี้นี้มีการปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้น ตอนดูขั้นแรกแรกให้ดูที่เป็นกิเลสไปก่อนพอดูหนัหนกๆเข้าเนี่ยมันจะยุ่งอยู่เรื่องการปรุงแต่งนี่แหละปรุงเป็นบุญบ้างปรุงเป็นบาปบ้างหรือปรุงอยากดีแล้วกลายเป็นว่าเป็นอนเน็นชาพิสังขารขึ้นมาบ้างพอเราเนี่ยปฏิบัติมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะมีอนเน็นชาพิสังขารมาบ่อยขึ้นให้รู้เลยว่ามันก็คือมานอันหนึ่ง <c oughs> ที่ต้องไปรู้จักมัน <c oughs> แค่รู้จักมันเท่านั้นเองหมด กลายเป็นเพื่อนแต่เป็นเพื่อนที่ไม่ใช่เพื่อนที่ให้มันลากคอเราไปแต่รู้จักกันแล้วก็ฉันก็อยู่บ้านของฉันเธอก็กลับบ้านเธอแค่รู้จักเพื่อนก็อยู่บ้านเพื่อนเราก็อยู่บ้านของเราบ้านของเราคือรู้ตัวว่าขณะนี้กายกลังหายใจอยู่ดูต่อไปเดี๋ย ว, ยวมันก็ไหลไปอีกเราก็ชอบไปหาเพื่อนนะมันไหลไปนะนก็ไหลไปรู้ทันดักมันทักมัน